อากังคมาณะจุดทะสกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงปรับภาชนิยกรรมสิบสี่หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2. งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลีกับขรือหัดด้วยการคลุกคลีกับขรือหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่ง มีศีลวิบัติในอัิศีนสองมีอาจารวิบัติในอัจชาจารสามมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล หมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุททั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงปัปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปัปภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. เล่นขนองกาย 2. เล่นขนองวาจา เล่นขนองทั้งกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสองเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่5ภิกษุทั้งหลายสองเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุ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 แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ทําลายพระบัญญัติทางกาย 2. ทําลายพระบัญญัติ ทางวาจา 3. ทํทำลายพระบัญญัติทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ประกอบมิจฉาชีพทางกาย 2. ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา 3. ประกอบมิจฉาชีพทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสองเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรม แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่ 8. ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปบพาชนิยกรรมแก่ภิกษุสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉา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 แก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหละหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปับพาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งมีสีลวิบัติในอธิศิน 2. รูปหนึ่งมีอาจารวิบัติ ในอัจฉาจารย์ 3. รูปหนึ่งมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรบพาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่สิบภิกษุทั้งหลาย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 พึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหลหมวดที่ 11. อภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งเล่นขนองกายสองรูปหนึ่งเล่นขนองวาจา 3. รูปหนึ่งเล่นขนองทั้งกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปับภาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลหมวดที่สิบสองภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทางกาย 2. รูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทางวาจา 3. รูปหนึ่งประพฤติไม่สมควรทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหละหมวดที่13ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทางกายสอง รูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทางวาจา 3. รูปหนึ่งทำลายพระบัญญัติทั้งทางกายและวาจาภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลมวดที่14ภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสมรูปคือ 1. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย 2. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางาวาจา 3. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทั้งทางกายและวาจา ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหละอากังขมานะจุดทะสกะัดจบ